สิกขาบทวิพัง800คำว่าก่อใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก่อใดคำว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าเชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์ว่าภิกษุณีในความหมายนี้ที่ชื่อว่าที่แคบคือรักแร้ทั้งสองข้างบริเวณองค์กำเนิด คำว่าให้ถอนคือให้ถอนขนแม้เส้นเดียวต้องอบัตประจิตตีให้ถอนขนหลายเส้นต้องอบัดประจิตตี